Book 2 <39. S> 3สามสิบเก้ารถเสียบิลอุบัติปั๊มถัดไปอยู่ที่ไหนคะบูร์เออร์นาร์เมสต์ n บนซินสถยางรถของดิฉันแบนค่ะ เปลี่ยนยางรถให้ได้ไหมคะส a มารถดูชิ a ต์เด็กด้ิฉันอยากได้น้ำมันดีเซลสองสามลิตรค่ะฉันต้องการน้ำ e ันดีเซลดิฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะฉันไม่มีน้ำมันเบนซินแล้วค่ะฉันไม่มีน้ำมันไหมคะ ดิฉันจะโทรศัพท์ได้ที่ไหนคะบุรุษคนนจะโทรไปที่ไดิฉันต้องการรถลากค่ะฉันต้องการรลาค่ะฉันต้องการรถลากค่ะฉันต้องการรถลากค่ะฉันต้องการรถลาค่ะ เกิดอุบัติเหตุได้ฮาเกิดนัน n ุลลย์เตูโทรศัพท์ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนคะวูร์คุณมีโทรศัพท์มือถือไหมคะฮาร์ดูเเราต้องการความช่วยเหลือคะ ตามหมอให้ทีค่ะเเรียกตำรวจให้ทีค่ะูขอดูเอกสารของคุณหน่อยค่ะ k า n ย์ย์ซ่พาดีนขอดูใบขับขี่ของคุณหน่อยค่ะ k า n ยซ่ ขอดูทะเบียนรถของคุณหน่อยค่ะ